ท่านั้นเวลาจะกินจะนอนลืมตาหลับตามารยาทของไก่ป่าต้องเข้มแข็งจึงจะปลอดภัยอยู่ได้ตัวเราชันใดก็ฉันนั้นถ้าคืนแช่อยู่ในหมู่คณะก็เหมือนมีดเหมือนจอบปักจมอยู่ในดินทำให้สึกรอได้ง่ายถ้าถูกหินถูกตะไบขัดทูอยู่เป็นนิดสนิมก็มมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใจของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ฉนั้นจึงชอบอยู่ในป่าเสมอมาเป็นการได้ประโยชน์ได้คติตือนใจหลายอย่าง 4. มา ล, ะ ล, ะลึกถึงคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนในครั้งแรกซึ่งเป็นประเพณีของสมณะเป็นคำสอนที่ชวนให้คิดอยู่มากคือครั้งแรกพระองค์ทรงสอนธรรมก่อนพระวินัยเช่นเวลาอุปสมบทได้สอนพระพุทธคณพระธรรมคณพระสังฆคณ แล้วก็สอนกรรมฐานทั้งห้ามีเกษาโลมานาขาทันตาตะเจ้าเป็นต้นต่อจากนั้นก็ได้ให้อบวาดแก่ผู้บรรพชาอุปสมบทมีใจความอยู่สอย่างคือ 1. ให้ถือการเทียวบินทบาทเป็นวัดแสดงตนเป็นผู้ขอแต่พระองค์ไม่ให้แสดงตนเป็นคนยากจนเช่นเขาให้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้น สองพระองค์ทรงสอนให้ไปอยู่ในที่สงัดที่เรียกว่าลุกขมู ล, ลเสนาสนังมีบ้านรางสญยาคารหิ ม, มิยังเงื้อมผาคูหาถ้าสถานที่ต่างๆเหล่านี้มีปัญหาว่าพระองค์ทรงเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้สอนเช่ น, นั้นแต่ตัวเองก็นึกเชื่ออยู่ในใจว่าถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่มีประโยชน์พระองค์คงไม่สอน ถึงตอนนั้นก็ยึงมีความรู้สึกรังเลใจยอยู่จนเป็นเหตุให้สนใจในเรื่องนี้ 3. พระองค์สอนให้ถือภาพบังสกุลเป็นเครื่องใช้สอยตลอดจนให้ถือเอาภาพพันผีตายมาใช้นุ่งหม่มก็เป็นเหตุให้ตัวเองนึกถึงเรื่องตายว่าการนุ่งห่มภาพพันผีตายมีประโยชน์อะไรบ้างข้อนี้พอได้ความง่ายๆคิดดูโดยรักธรรมดาก็จะเห็นได้ว่าของตายนั้น ไม่มีใครต้องการอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือของตายเป็นของไม่มีผิดไม่มีโทษในข้อนี้เพราะจะน้อมนึกตึกทองได้อยู่บ้างว่าพระองค์ได้สอนไม่ให้เป็นผู้ทนงตัวในปัจจัยลาบพ่สี่ทรงสอนให้บริโภคยารักษาโรคที่หาได้อย่างง่ายๆเช่นให้ฉันยาดอกด้วยน้ำมูดเนา่าคำสอนต่างๆของพระองค์ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เมื่อเราได้รับฟังเขาแล้วเป็นเหตุให้เกิดความสนใจแต่เมื่อสรุปแล้วจะได้รับผลหรือไม่ก็ตามแต่เรามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลที่งมงายเรื่องใดที่ไม่มีเหตุผลพระองค์คงไม่ทรงสั่งสอนเป็นอันขาดฉะนั้นจึงได้มาเลึกนึกคิดว่าถ้าเราไม่เชื่อในคาสอนของพระองค์เราก็ควรยอมรับนับถือตอามโอวา หรือถ้าเราไม่เชื่อความสามารถของผู้สอนเราเราก็ควรทำตามไปก่อนโดยฐานะที่ทดลองดูเพื่อเป็นการรักษาสังฆประเพณีระเบียบแบบแผนของผู้ที่เราเคารพนับถือกราบไหว้เอาไว้ก่อนอีประการหนึ่งได้เลือกถึงคำพูดของพระมหากศส ป, ปะซึ่งเป็นผู้ถือเคร่งขัดในทดดงเช่นถือการอยู่ปาใช้อาหารแตมือเดียวถือพระัาางสิกุลเป็นวัด ท่านได้ขอปฏิบัติตัวของท่านอย่างนี้ตลอดชีพในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงซักถามพระมหากัสสปะว่าท่านเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วท่านขว้นขวายเพื่อเหตุอะไรพระมหากัสสปะตอบว่าข้าพระองค์มุ่งประโยชน์ของกฎบุตรผู้จะเกิดตามมาสุดท้ายภายหลังไม่ได้มุ่งประโยชน์ส่วนตัวเมื่อข้าพระองค์ไม่ทําจะเอาใครเป็นตัวอย่างเพราะการสอนคนนั้น ถ้ามีตัวอย่างสอนได้ง่ายเปรียบเสมือนการสอนภาษาหนังสือเขาทำแบบหรือรูปภาพประกอบการสอนเป็นเหตุให้ผู้เรียนเรียนได้สะดวกขึ้นอีกมากข้าพระองค์พระพุตธเช่นนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อได้ระลึกถึงคำพูดของพระมหากัสสปะซึ่งได้ทูลตอบพระบรมศาสดาเช่นนี้เขาสงสารพระมหากัสสปะท่านอุซาตากำธรามานถ้าเปรียบในทางโลก ท่านก็เป็นถึงมหาเศรษฐีควรได้นอนที่นอนดีๆกินอาหารที่ประณีตต้องกันข้ามท่านกับสุุษ า, ามาทนลำบากนอนกลางดินกินกลางหญ้าชั้นอาหารก็ไม่ประณีตเปรียบเทียบกับตัวเราเสมอเพียงแค่นี้จะมาหาแต่ความสุขใส่ตัวแค่อมิตรก็บังเกิดความละอายใจสำหรับพระมหากรสปะเวลานั้นท่านจะบริโภคอาหารนั่งนอนในที่สวยงามเท่าไรก็ตาม ยอมไม่มีปัญหาใดๆที่จะเป็นปลยเพื่ออาสวัจเดศเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นของไม่แปลกท่านกับเห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่บรรดาสานุสิทธิ์ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสกิดใจเรามานับตั้งแต่เริ่มบทในครั้งแรกเมื่อพูดถึงเรื่องการอยู่ป่าก็เป็นของแปลกประหลาดเตือนใจราอยู่มากเช่นบางคราว ได้มองเห็นความตาอย่างใกล้ชิดและได้รับคำเตือนใจหลายอย่างบางคราวก็เกิดจากคนในป่าบางคราวก็เห็นพฤติการของสัตว์ในป่าสมัยหนึ่งมีตาแก่ยายแก่สองคนผัวเมียพากันไปตักน้ามันยางในกลางดงใหญ่เผอิญไปพบหมีใหญ่ตัวหนึ่งได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเมียหนีขึ้นต้นไม้ทันและร้องตะโกนบอกโผลว่าถ้าสู้มันไม่ไหวให้ลงนอนหงายนิ่ง ถ้าเหมือนคนตายยากระดูกกระดิ ก, ดกฝ่ายผัวพอได้ยินเมียร้องบอกดัานั้นก็ได้สติแกจึงแก้งล้มลงนอนแผ่ลงกลางพื้นดินและนอนนิ่งๆไม่ไหวตัวเมื่อมีเห็นดังนั้นก็ขึ้นคล่อมตัวตะแกไวปล่อยมือปล่อยตีนไม่จะบบตะแก่อีกเป็นแต่มองตัแกที่กาลังนอนงานอยู่นั้นตาแกก็ได้แต่นอนบริกรรมภาวนาได้คาเดียวว่าพุทโธ พร้อมทั้งนึกในใจว่าเราไม่ตายมีก็ดึงขาดึงศี้อะแก่แล้วใช้ปากดันโตแก่ทางซ้ายทางขวาแก่ก็ทำเป็นนอนโตอ่อนไปอ่อนมาไม่ยอมฟื้นมีเห็นดังนั้นก็คิดว่าตาแก่คงตายแล้วมันจึงหนีไปต่อจากนั้นสักครู่หนึ่งแกกรลุกขึ้นเดินกลับบ้านกับเมียบาดแผลที่แกได้รับคือหัวถลอกปอกเปิงแต่ไม่ตาย แกก็สรุปให้ฟังว่าสัตว์ป่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าสู้ไม่ไหวต้องทำตัวเหมือนคนตายเมื่อเราได้ฟังแกเล่าแล้วก็ได้ความรู้ขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคนตายไม่มีใครต้องการเราอยู่ในป่าเราก็ควรทำตนเหมือนคนตายฉะนั้นใครจะว่าดีหรือชั่วประการใดเราต้องนิ่งสงบกายวาจาใจจึงจะรอดตาย เป็นอุทาหรณ์เกินใจได้อีกอย่างหนึ่งในทางธรรมะว่าคนที่จะพลตายต้องทำตนเหมือนคนตายก็เป็นมรณะสติเตือนใจได้เป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งได้ไปพักอยู่ในโดงใหญ่แห่งหนึ่งวันหนึ่งเวลาเช้าสังสา ง, สางได้พาลูกศิษย์ออกบิตฑบาตพอเดินผ่านลดงไปได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องกะตากะตาฟังเสียงดูเป็นเสียงไก่ไม่ลูกอ่อน เพราะเมื่อทรงเสียงร้องแล้วไม่ยอมบินจึงให้ลูกศิษย์วิ่งไปดูแม่ไก่ตกใจก็บินข้ามต้นไม้สูงนี้ไปเห็นลูกไก่วิ่งอยู่หลายตัวมันพากันวิ่งหนีเข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในกองใบไม้ร่วงแล้วทุกตัวก็นิ่งเงียบไม่ยอมไหวตัวไม่ยอมกระดดกระดิกแม้จะเอาไม้คุยเขี่ยดูก็ไม่ยอมกระดกระดิกเด็กลูกศิษย์ไปหาอยุ่พักหนึ่งไม่ได้พบลูกไก่เลยแม้แต่ตัวเดียว แต่เรานึกในใจว่ามันไม่ได้หนีไปไหนแต่มันทำตัวเหมือนใบไม้ร่วงในที่สุดโรกไก่ตัวนินดๆจับไม่ได้จากตัวเดียวเรื่องนี้ก็เป็นเหตุให้นึกถึงสรรชาตยานการป้องกันภัยของสัตว์ว่ามันก็มีวิธีการที่ฉลาดมันทำตัวของมันสงบไม่มีเสียงในกองใบไม้ร่วงจึงได้เกิดการนึกเปรียบเทียบขึ้นในใจตนเองว่าถ้าเราอยู่ในป่าทาจิตให้สงบไม่ไหวตัว เช่นเดียวกับลูกไก่เราก็ต้องได้รับความปลอดภัยพ้นความตายแน่นอนก็เป็นกติเตือนใจได้อีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้เมื่อนึกถึงธรรมชาติอื่นๆเช่นต้นไม้ทวันสัตว์ป่าแต่และอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องปลุกใจได้เป็นอย่างดีเช่นทวันบางชนิดพันต้นไม้ไม่มีเลี้ยวไปทางทิศทางอื่นต้องพันเลี้ยวไป ทางทักษิณาวัตเสมอสังเกตเห็นเช่นนี้ก็ <IS> ามานึกถึงตัวหากเราจะทําจิตให้กล้าไปสู่ความดีอันยิ่งยวดเราต้องเอาอย่างถาวรคือเดินทางทักษิณาวัตรเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังปะทักขินังฉะนั้นเราต้องทักษิณาวัตคือเวียนไปทางทักษิณเสมอนั่นคือเราต้องทําตนให้เนื้อกิเลส ที่จะลุกลามใจมิฉะนั้นเราก็สู้เถาวันไม่ได้ต้นไม้บางชนิตมันแสดงความสงบให้เราเห็นด้วยตาที่เราเรียกกันว่าต้นไม้นอนถึงเวลากลางคืนมันหุบใบหุบก้านเมื่อเราไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นนั้นจะมองเห็นดาวเดืินอย่างถนัดในเวลากลางคืนแต่พอถึงเวลากลางวันแผ่กิง่งแผ่ก้านมืดทึบอย่างนี้ก็มีเรื่องเหล่านี้ก็ร้อเป็นคติเตือนใจว่า ขนะเรานั่งสมาธิรับตาภาวนานั้นก็ให้ดับแต่ตาส่วนใจเราต้องให้สว่างสวยัยเหมือนต้นไม้นอนในเวลากลางคืนซึ่งใบไม้ไม่ปิดตาเราเมื่อระลึกนึกคิดได้อย่างนี้ก็ได้ได้เห็นประโยชน์ของการอยู่ป่าจิตใจก็เกิดความห้าวหาญธรรมะตโมที่เราเรียนมาหรือที่ยังไม่ได้เรียนก็ได้ผลมีขึ้นเพราะธรรมชาติเป็นผู้สอน จึงได้มานึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ทุกประเทศพากันทำริษฐธรรมเดชต่างๆนานาและทําได้อย่างสูงสูงน่ามหาัศจรรย์ล้วนแต่ไม่ปรากฏว่ามีตําราในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาแต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์พากันคิดได้จากหลักธรรมชาติซึ่งปรากฏไปอยู่ในโลกนี้ทั้งสิน้นเราเมาหันคิดถึงธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนวิทยาศาสตร์นั่นเองเมื่อคิดได้อย่างนี้ ก็หมดห่วงในเรื่องการเรียนแล้วมาะระลึกถึงพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายล้วนแต่ได้เรียนสำเร็จจากหลักธรรมชาติทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเคยมีตำรับตำรามาแต่ก่อนด้วยเหตุผลต่างๆดังได้กล่าวมาข้างต้นนี้ตัวเราจึงยอมโง่ทั้งแบบและตำราต้นไม้บางชนิดมานอนกลางคืนจะตื่นกลางวันบางชนิดก็นอนกลางวันจะตื่นกลางคืนสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังได้ความรู้จากพึ ก, ก ษ, ษชาติซึ่งมันขารถในตัวของมันออกบางชนิดก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายบางชนิดก็เป็นโทษแก่ร่างกายอาทิเช่นบางคราวเราเป็นไข้เมื่อเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิดอาการไข้ก็หายไปบางคราวเราสบายดีแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิดทาตก็เกิดแ ป, ปรโชนบางคราวเราเหิวข้าวหิวน้าแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้บางชนิด อาการหิวเหล่านั้นก็หายไปการได้ความรู้ต่างๆจากภก ษ, ษชาติชนีเป็นเหตุให้นึกถึงแพทย์แผนโบราณซึ่งนิยมสร้างรูปฤาษีไว้เป็นที่เคารพบูชาฤาษีนั้นไม่เคยได้เรียนตำรับตรลามาแต่ก่อนแต่มีความสามารถสอนแพทย์แผนโบราณให้รู้จักยารักษาโรคได้โดยวิธีการเรียนธรรมชาติโดยทางจิตเหมือนอย่างตัวเรานี้เองนาพื้นแผ่นดิน หรืออากาศธาตุก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่ก็จะสนใจในเรื่องยารักษาโรคคือเห็นว่ามันมีอยู่ทั่วไปส่วนที่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองนอกจากนั้นยังมีคุณความดีอย่างอื่นที่จะต้องบริหารตัวเองนั่นคืออำนาจแห่งดวงจิตที่สามารถทาให้สงบระงับลงได้เท่าไรก็ยิ่งมีคุณภาพสูงขึ้นไป ยิ่งพ่านี้อีกหลายทิบเท่าซึ่งเรียกว่าธรรมโอสถสรุปแล้วคุณประโยชน์ที่ได้รับในเรื่องการอยู่ป่าที่สงัดเพื่อปฏิบัติทางจิตนี้เห็นจริงตัดข้อสงสัยในคำสอนของพระตถาคตได้เป็นข้อๆโดยเหตุนี้เราจึงยอมปฏิบัติตนเพื่อวิปัสสนาธุระตลอดไปจนฝ่าชีวิตจะหาไม่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องในการที่ได้ปฏิบัติทางจิตนี้ ถ้าจะนำมาพารนาก็มีอยู่มากมายแต่จะข อ, อกล่าวแต่เพียงสั้นๆเสมอเพียงเท่านี้มาบัดนี้จึงได้เริ่มสร้างวัดอโศการามเพื่อเป็นหลักแหล่งของกระบุตรกุณชิดาสืบต่อไปในระหว่างอยู่วัดอโศการามเดือนธันวาคมปีพศ2500ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชคณะขึ้นโดยไม่รู้ตัวในนาม พระสุดิธรรมลังสีคัมภีระเมธาจารย์จึงได้ตั้งใจอยู่จำพรรษาในวัดนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปีพศ2 4 9 9มาถึงปีพศ2502ในพรรษาปี2502รู้สึกว่าอาการปร่วยมารบกวนเริ่มป่วยตั้งแต่กลางพรรษามานึกถึงการเจ็บป่วยของตัวบางวันบางเวลาก็เกิดความท้อถอยในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป บางวันก็รู้สึกว่าจิตใจขาดกระดินงไปจากสิทธิ์มุ่งไปแต่ลาพังตนคนเดียวมองเห็นที่วิเวกสงัดว่าเป็นบรมสุขอย่างเลิศในทางธรรมบางวันบางเวลาอาการปวยทุเราบางวันก็ป่วยตลอดคืนแต่พอทนได้มีอาการปวดเสียดในกระเพาะมีอาการจับไข้วันหนึ่งเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้มาพักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าครั้งแรกได้มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2502จนถึงวันที่5เดือนเดียวกันก็กลับไปวัดเมื่อกลับไปวัดแล้วอาการอาภาษจะกาเริบพอถึงวันอังคารที่10พฤศจิกายน2502ก็ได้กลับมารั ก, รกษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอีกครั้งหนึง่ง อาการป่วยก็ค่อยที่เราเบาบางอยู่มาวันหนึ่งมานอนนิ่งนึกอยู่คนเดียวว่าเราเกิดมาก็ต้องการให้เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นแม้เราจะเกิดอยู่ในโลกที่มีการเจ็บป่วยก็มุ่งทําประโยชน์ให้แก่โลกและพระศาสนาตลอดชาติที่นี้เราเจ็บป่วยเราก็จักได้ประโยชน์มันเกิดจากการเจ็บป่วยในส่วนตนและคนอื่นฉะนั้น จึงได้เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งมีใจความดังต่อไปนี้คือห้องพิเศษโรงพยาบาลบุคโครทหารเหลือเรื่องอาหารของท่านพ่อ น, นั้นใครๆอย่ายได้ห่วงอะไรทางโรงพยาบาลมีทุกอย่างว่าจะต้องการอะไรฉะนั้นถ้าใครๆหวังดีมีสัทาแล้วให้คิดค่ารถที่นำไปนั้นเสียคิด่าอาหารที่พวกเราจ่ายไปนั้นเสีย เอาเงินจำนวนนั้นไปทำบุญในทางอื่นจะดีกวา่าเจน่นโรงพายาบาลของโรงพยาบาลไปเท่าไรหร่เลอจากท่านพ่อแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่อนาถาต่อไปให้พังชิดเช่นนั้นจะดีกว่ากำมังและตึกที่ท่านพ่อพักอยู่นั้นเป็นตึกพิเศษยังไม่ได้เปิดรับคนป่วยเลยนายแพทย์ก็ให้เกียรติท่านพ่อเต็มที่แม้โมลข่าบารงหนึ่งสตางค์ไม่เคยพูดกันสักคา ฉะนั้นผู้ใดหวังดีแก่ท่านพ่อควรนําไปคิดดูก็แล้วกันในที่สุดนี้ท่านพ่อจะสร้างเตียงไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยใครมีศรัทธาติดต่อท่านพ่อได้หรือผู้อำนวยการและผู้ช่วยอำนวยการที่โรงพยาบาลบุคโรทหารเหลือลงนามพระอาจารย์ดีหมายเหตุโรงพยาบาลบุคโลทหารเลือ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกรารหมให้เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2 5 0 2เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลังท่านพ่อเข้ามาพักรักษาตัวหนึ่งวันท า, ทางทั้งที่ทางโรงพยาบาลได้ขอเปลี่ยนชื่อนี้ไปเป็นเวลานานแล้วเมื่อได้เขียนหนังสือทางก่าวได้นึกอยู่ในใจว่าอย่างน้อยคนได้มูลค่าปัจจัยในการช่วยเหลือโรงพยาบาลครั้งนี้ส0 0 0บาท จึงได้ออกประกาศแจ้งความจำงแกบบ่บรรดาสาธุรณช์ต่างคนต่างมีศรัทธาบริจาคร่วมกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2 5 0 2มีคนจังหวัดสมุทรปราการมาเล่าให้ฟังที่โรงพยาบาลมีใจฟาร์มสองอย่างคือ 1. ได้เกิดมีรถยนต์ชนกันมีคนตายอีกแถวโค้งมรณะบางปิง2บางคนก็ว่า มีผีคอยหลอกแสดงให้ปรากฏต่างๆนานาเมื่อได้ทราบดังนี้จึงได้คิดจำริทําบุญอุทิศกุศลให้คนตายโดยอุปัติเหตุทางรถยนต์บนถนนสายนี้จึงได้ไปปรึกษาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการและคณะสิทธ์ก็ตรองกันว่าต้องทําบุญได้กําหนดการทําบุญกันขึ้นโดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2502มีการสวดมนต์เย็นที่ประดับข้างถนนสุขุมวิท ใกล้ที่ทำงานของตอนการทางสมุปรปการจัดการภ้าป่า50กองมีคณะสิทธ์ไปร่วมอนุโมทนาคราวนี้ได้เงินสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลจังหวัดสมประการทางเส้น 12,600 บาททุนวันที่19ธันวาคม2 5 0 2และถวายอาหารพระ50รูปทอดพราป่า50กองเปลี่ยนชื่อโค้งใหม่ดังนี้ 1. ที่เรียกว่าโค้งโพแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งโพทิศัตสอที่เรียกว่าโค้งมรณะแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งปลอดภัย 3. ที่เรียกว่าโค้งมิโดแต่เดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งชัยมงคลเมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้กลับมางปัจจุบันตอนบ่ายวันที่1ิบาธันวาคม2 5ง2 ก็ได้พักรักษาตัวอยู่เป็นเวลาหลายวันนายแพทย์และจากพยาบาลได้เอาใจใส่รักษาและให้ความสะดวกเป็นอย่างดีเช่นพลเรือจัตวาสนิทโปรสกิศณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เอาใจใส่มากทุกวันเวลาชามืดได้นำอาหารมาถวายเป็นนิตคอยปฏิบัติดูแลเหมือนกับลูกศิษย์และในระหว่างนี้ก็ได้คิดเขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่ง ซือว่าคู่มือบรรเทาทุกเพื่อแจกเป็นธรรมทานในการสร้างหนังสือนี้เราก็ไม่ได้รับความลำบากมีลูกศิษย์รับจัดพิมพ์ช่วย 2,000 เล่มคือคุณนายลาไมอำนวยสงคราม 1,000 เล่มร้อยโทยอายุตบุญยริศรักษา 1,000 เล่มรู้สึกว่าการคิดนิของตนก็นได้เป็นไปตามสมควรเช่นต้องการเงินบารุงโรงพยาบาล มาถึงวันที่ได้ออกจากโรงพยาบาลคือวันที่10มกราคม2503รวมเวลาอยู่โรงพยาบาล45วันก็มียอดเงินประมาณ 31,535 าบาทแสดงว่าเราเจ็บเราก็ได้ทำประโยชน์แม้จะตายไปจากโลกนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าซากกะเลวลารกที่เหลืออยู่ก็อยากให้เกิดประโยชน์แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ตัวอย่างที่เคยเห็นมาเช่นครูบาสีวิชัยซึ่งชาวเมืองเหนือเคารพนับถือท่านได้ดำดิบสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงแต่ยังไม่สำเร็จก็าตาเสกอดต่อจากนั้นได้มีคนเอาศพของท่านไปตั้งไว้ใกล้ๆสะพานถ้าลูกศิษย์หรือพุทธบริษัทอื่นๆต้องการจะช่วยทำการชาปรกิจศพท่านก็ขอให้ช่วยกันสร้างสะพานให้สาเร็จจสกอดในที่สุดครูบาสีวิชัย ก็นอนเนา่าทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ฉะนั้นชีวิตฟ้าเป็นมาของตนก็ได้คิดมุ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยมานับตั้งแต่ได้ออกปฏิบัติในทางวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่พศ2469จนถึงพศ2502ได้อบรมสั่งสอนมู่คณะสานุสิทธิ์ในจังหวัดต่างๆได้สร้างสำนักให้ความสะดวกแก่พุทธบริษัทเช่นจังหวัดจันทบุรี มีสิบสำนักการสร้างสำนักนี้มีอยู่สองทางคือ 1. เมื่อลูกศิษย์ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นยังไม่สมบูรณ์ก็ช่วยเป็นกำลังสนับส น, นุน 2. เมื่อเพื่อนฝูงได้ดําเนสร้างขึ้นยังไม่สําเร็จบางแห่งก็ขาดปราศก็ได้ส่งพระที่เป็นศิษย์ไปอยู่ประจําจต่อไปก็มีบางสำนักครูบาอาจารย์ได้ไปผ่านและสร้างขึ้นได้แต่การก่อน เขาได้เดินทางไปเยี่ยมและอบรมหมู่คณะเรื่อยมาจนบัดนี้จังหวัดจันทบุรีมีสิอแห่งนครราชสีมามีสำนักปฏิบัติสองสาแห่งศรีสะเกตหนึ่งแห่งสุรินก็มีเป็นเพื่อนกรรมฐานทั้งนั้นอุ บ, บลราชธานีมีหลายแห่งนครพนมส ก, กลนคร อ, อุดรธานีขอนแก่นเลยชัยภูมิเพชรราบุรี ระยองตากลบบุรีชัยนาทตานกคนครสวรรค์พิษณุโลกเป็นวัดที่ผ่านไปอบรมชั่วคราวไม่มีสำนักสระบุรีมีหนึ่งแห่งอุตรดิตถ์ก็เป็นจุดผ่านไปอบรมลำปางเชียงรายเชียงใหม่นคร น, นายกนกครปฐมได้ผ่านไปอบรมชั่วคราวยังไม่มีสำนักตราบุรีได้ผ่าไปอบรมยังไม่มีสำนัก เพชรบุรีมีพระเนรเพื่อนฝูงตั้งสำนักไว้บ้างประจวบดเดิมสร้างสำนักที่อำเภอหัหินชุมพรมีสำนักอยู่สองสามแห่งชุราษฎร์ธานีผ่านไปอบรมชั่วคราวไม่มีสำนักนกครศรีธรรมราชก็ผ่านไปอบรมมีสำนักขึ้นก็กรกล้างไปพัทธลุงมีสิทธิ์ผ่านไปอบรมยังไม่มีสำนักสงกรามมีสำนักที่วิเวกหลายแห่ง ยาหลามีสิทธิ์ไปเริอกอบรมไว้เป็นเพลินและได้เคยไปอบรมสองครั้งระหว่างออกพรรษาได้สัญจรไปเยี่ยมสิทธิเ์เก่าของครูบาอาจารย์ที่เคยไปพักผ่อนมาแล้วก็ได้ไปอยู่เสมอไม่ได้ขาดบางคราวก็ได้ลบลีกไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตัวบ้างนับตั้งแต่ได้อุปสมบทมาตั้งแต่พศ2ังมาแแต่มาสวยดยติใหม่ เมื่อปีพศ2 4ง0จําเดิมแต่นั้นมาปีแรกที่ได้สด็ติแล้วได้อยู่จำพรรษาที่จังหวัดอุ บ, บลราชธานีหพรรษามาจําพรรษาวัด ส, สัปปทุมพนคอน 3, สามพรรษาไปจำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่ 2, สองพรรษาจำพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมา 2, สองพรรษาจังหวัดปราจีนบุรีหนึ 1, ่งพรรษามาสร้างสํานักที่จันทบุรี จำพรรษาอยู่14พรรษาต่อจากนั้นไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย1พรรษากลับจากประเทศอินเดียผ่านประเทศพมา่าไปจำพรรษาที่วัดโคนมีดจังหวัดสงขลา1พรรษาจากนั้นได้จํามรรษาที่วัดบรมนิวา 3, ส3พรรษาสำเร็จพระมหาวิรวงศ์อ้วนมรณภาพแล้วได้ออกไปจำพรรษาอยู่วัดอโศกราม4าพรรษาพรรษาที่สีนี้ ต้งกปีพศ2502เวลาที่ได้เขียนประวัติขึ้นนี้กำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทนบุรีดิเลกมณีรัตน์เป็นผู้บันทึกประวัติ